คนเราทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแค่กายกับใจกายนี่ถ้าจะพูดอย่างสรุปสั้นๆเนี่ยมันก็มีสองสถานะเท่านั้นแหละสถานะในที่นี้ก็หมายถึงโหมดนะก็คือตื่นกับหลับยีิบสี่ชั่วโมงก็มีแค่สองอย่างตื่นกับหลับสองสถานะนี่มันก็ไม่ใช่ว่า มันเป็นการผลัดกันนะว่าเดี๋ยวตื่นแล้วก็เดี๋ยวหลับแล้วก็ตื่นจริงๆมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะมันมีการจะเรียกว่าอะไรช่วงชิงกันภายในร่างกายของเราคือในร่างกายเรามันก็มีสารตัวหนึ่งนะที่กระตุ้นให้เราตื่น เอะีซนอีกตัวหนึ่งก็กระตุ้นหรือกล่อมให้เราหลับนะเาชื่อว่าอะดีโนซีนไอ้สองตัวเนี่ยมันก็มีในร่างกายเราตลอดเวลาแต่บางช่วงเนี่ยถ้าอะดรีซีนเนี่ยมันมันเด่นกว่าหรือว่ามันถูกหลั่งออกมามากกว่าเราก็ตื่นนะแต่ว่าพอตื่นไปสักพักเนี่ย อย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยอะเรกซีนก็จะเยอะหน่อยนะทำให้เราตื่นอยากจะหลับก็ไม่หลับนะแต่ว่าพออยู่ไปสักบ่ายเย็นเนี่ยนะอะเรกซีนก็ค่อยลดลงอะดีโนโซีนก็เพิ่มขึ้นถูกหลังออกมามากขึ้นพอถึงประมาณสักสีทุ่มนี่อะดีโนโซีนก็เรียกว่ามีมีเยอะสุดนะ เป็นจุดที่เราเป็นพีกก็ทำให้เราง่วงแล้วก็หลับไปพอเริ่มจะใกล้สว่างนะออดีโนซีนมันก็ค่อยลดลงแล้วก็อะรักซีนมันก็พุ่งขึ้นมาอีกนะอันนี้ถึงเรียกว่ามันมีการาว่าต่อสู้กันนะอันไหนท่านไห น, นเด่นกว่านะ มันก็มีทธิผลกับร่างกายของเราชาเร็กซินเด่นกว่ามันก็ทำให้เราตื่นอะดีโนโซีนเด่นกว่าก็ทำให้เราหลับนและตลอดเวลาในร่างกายเราก็มีสองตัวเนี่ยนะขับเคี่ยวกันซึ่งปกติมันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่พิสดานมากนะก็คือว่าตอนเช้าก็ตื่นกลางคืนก็หลับ แต่ว่าถ้าไปไปทาให้อสองตัวนี้มันหลังออกมาไม่ไม่ถูกไปร่อมเวลาอย่างเช่นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยข้ามอ่าข้ามอ่าเขตเวลาเช่นไปยุโรปไปอเมริกาเนี่ยเกิดก็จะเกิดอาการ jet lag เ, นะเนี่ก็คือว่า ถึงเวลาเช้านี่มันดัน ง, ง่วงถึงเวลางคืนมันดันสว่างมันดันตื่นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่พวกเราก็เคยมีประสบการณ์กันแต่ถ้าไม่มีอะไรไปไปทําให้ไอสารสองตัวเนี้มันมันแปลเปลี่ยนไปมันก็จะชีวิตเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละเช้าก็ตื่นนกลางคืนก็หลับแต่ว่ามันก็ไม่แน่นะเพราะว่า เด๋ยวนี้เราก็ถึงแม้เราจะไม่ได้เดินทางไปไหนแต่เรากินโน่นกินนี่เช่นกินกาแฟาแล้วเข้าไปหรือกินอาหารบางอย่างก็มีผลทำให้ถึงเวลากลางคืนมันไม่หลับนะให้ตัวอะดีโนซีนนี่มันมันหลั่งออกมาน้อยนะมันก็ไม่หลับนะหรือไปกระตุ้นทําให้ตัวอะเร็กซีนมันเพิ่มขึ้นแม้เป็นเวลากลางคืนมันก็ตาสว่างอันนี้เป็นปัญหาคนจนํานวนมากนะ แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่ปกติถ้าปกติแล้วเนี่ยเช้าก็ตื่นกลางคืนก็หลับอันนี้คือเรื่องของกายนะเรื่องของใจเนี่ยจะว่าไปามันก็มีอยู่สองสถานะเหมือนกันนะก็คือรู้กับหลงนะบางช่วงก็รู้บางช่วงก็หลงแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรู้เนี่ยนะเป็นส่วนน้อยเนี่ย ส่วนใหญ่คือหลงไม่เหมือนกับร่างกายน ะ, ะเราตื่นเนี่ยเป็นส่วนใหญ่สิบแปดชั่วโมงสิบหกชั่วโมงและเราหลับสักแปดชั่วโมงเราตื่นมากกว่าหลับนะอันนี้เป็นเรื่องร่างกายแต่ใจนี่มันตรงข้ามนะเรามักจะรู้น้อยแต่ว่าหลงมากและรู้กับหลงนี่มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวล่ำเวลานะ ถ้าเป็นร่างกายเนี่ยเช้าก็ตื่นกลาคืนก็หลับแต่ว่าจิตใจเราเนี่ยรู้กับหลงนี่มันมันไม่มีเว ล, เวลาำเช้าเช้าเราอาจจะหลงก็ได้นะกลางคืนเราอาจจะรู้ก็ได้รู้ในที่นี้คือรู้ตัวนะอย่าไปคิดว่าเรารู้ตัวตลอดเวลาที่เราตื่นนะเราไม่ได้รู้ตัวตลอดเวลาที่เราตื่นนะนี่เราก็สังเกตตัวเราเองก็ได้ ถึงแม้ว่าตอนที่เราตื่นเราจะทําอะไรได้ตามปกติในชีวิตประจําวันพูดจาสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนได้อันนี้เราเรียกว่ารู้สึกตัวท า, ทางการแพทย์ก็ถือว่ารู้สึกตัวแล้วถ้าไม่หลับถ้าไม่ถ้าไม่สลบนะถ้าไม่เมาไม้ก็ถือว่ารู้สึกตัวแต่ทางพุทธศาสนานเนี่ยแม้ไม่สลบไม่เมาไมา้ไม่หลับเนี่ย นะตื่นพูดคุยกับใครได้เนี่ยก็อาจจะทำด้วยความไม่รู้ตัวก็ได้คือหลงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหลงนะใจลอยเนี่ยเขามีการศึกษาเนี่ยพบว่าคนเน่ะเวลาทำงานเนี่ยเจ็ดชั่วโมงห้าเจ็ดชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะอันนี้ในเมืองนอกนะจะรู้ตัวแล้วก็ทำงานจริงๆเนี่ยนะ ประมาณย0สิบเปอร์เซ็นก็คือประมาณชั่วโมงครึง่งไอ้ที่เหลือเนี่ยนะไม่ได้ทำงานนะนะใจลอยลอยไปน้นลอยไปนี่ทั้งนัางที่ดูข้างนอกเนี่ยดูภายนอกดูมนทางานนะอยู่หน้าคอมหรือว่าอยู่บนโต๊ะคุยรู้เรื่องนะแต่ว่าไอ้ที่รู้ตัวจริงนะหรือว่าทีา่ทำงานจริงๆอ่ะนะมันแค่ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงครึง่ง ยีิเอร์เซนที่เหลือคือใจลอยนะหกชั่วโมงหรือว่าแปดสิบเปอร์ซอันนี้ไม่นับนะเวลาที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยหรือออกจากที่ทํางานเนี่ยยิ่งอาจจะใจลอยเข้าไปใหญ่เลยหรือว่าหลงก็ได้เช่นนั่งรถเนี่ยนั่งรถส่วนใหญ่ก็หลงนะมันหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในความหงุดหงิดรถติดก็หงุดหงิดอันนี้เรียกว่าหลงแล้ะนะตอนนั้นไม่รู้ตัวแล้ว หรือนั่งฟังอยู่เนี้ยนะนั่งฟังอยู่เนี้ยใจลอยไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันบางคนหนักกว่านั้นอีกนะคือหลับไปเลยนะไอความหลงมันออกมาในลักษณะที่เราว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งกลางวันก็ฟุง้งคิดไปนโน่นคิดไป น, นี่มันไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เรียกว่าหลงนะกลางคืนฝันอันนี้ยิ่งชัดเข้าใใหญ่นะ ไอ้ตอนที่เราหลับเนี่ยเราก็ฝันอะไรสารพัดมันก็หลงทั้งนั้นแหละแล้วก็ถ้าเราปล่อยไว้นะไม่ทำอะไรนะไอ้ความหลงมันก็จะมันก็จะเอาชนะความรู้ตัวไปเรื่อยๆเพราะว่าสองตัวนี้มันก็ต่อสู้ขับเคี่ยวกันในชีวิตเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยสองตัวนี้มันก็พยายามที่จะแย่งชิงพื้นที่ในจิตใจเรา มันพยายามครองมันพยายามแย่งกันเพื่อที่จะมีทิพลหรือครองจิตครองใจเราลองสังเกตดูแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรนะปล่อยไปเรื่อยๆนะไอ้ความหลงมันก็จะเข้ามาครองจิตครองใจเรามากขึ้นแล้วเราก็จะใช้ชีวิในความหลงนะมากกว่ารู้ตัวหลงเนี่ยก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะคือว่ามันเข้าไปในความคิดไม่ใช่ตั้งใจคิดนะถ้าตั้งใจคิดก็เรื่องนึงแต่ว่ามัน เข้าไปในความคิดที่บางทีไม่อยากคิดด้วยซ้ํพาพอไปคิดเรื่องเก่าๆไปคิดเรื่องที่เจ็บปวดในอดีตไปคิดไปนึกถึงความพัดภาคสูญเสียนะไปนึกถึงเรื่องทะเลาะเบาแวง่งไปนึกถึงเรื่องถูกโกงนะถูกหักหลังถูกทรยศนะนั่นคือเรื่องอดีตหรือแม้ก็ไปคิดถึง เหตุการณ์เลวร้ายที่ยังไม่เกิดขึ้นบางคนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวคิดแล้วว่าเดี๋ยวกลับไปกุฏิเนี่ยนะเดี๋ยวต้องไปเจอกับตุ๊กแกงแล้วโว้ยทำไงเนี่ยเดี๋ยวไปเจอผีแล้วเนี่ยทำไงเนี่ยนอนคนเดียวด้วยคืนนี้ยนะมันยังไม่เกิดขึ้นเลยนะไปแล้วจิตไปแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าหลงนะแล้วหลงแล้วเป็นไงนะมันก็ทุกข์มันก็วิตกก็กังวลนะ ฟังอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเสียโอกาสนะอุกสาห์มาแต่ว่าพอมาถึงนี่แล้วผู้บรรยายบรรยายอะไรไปนี่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยหัวใจมันหลงก็ไปในความคิดและปกติพอเขาไปในความคิดนะมันก็จมอยู่ในอารมณ์เพราะความคิดมันมักจะปรุงแต่งให้มีอารมณ์เกิดขึ้นเข้าไปในอารมณ์อารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจ กลัววิตกกังวลเนี่ยจะพูดท่าสรุปอย่างสั้นๆเนี่ยคนเราทุกเนี่ยเพราะว่ามันหลงนะมันไม่ได้ทุกเพราะเรื่องอื่นเลยทุกเพราะเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์หรือมิฉะนั้นก็ต่อต้านผักไสมันอารมณ์บางอย่างนี่เราไม่ชอบเราก็พยายามที่จะกดข่มมันผักไสมัน ความคิดบางอย่างเราไม่ชอบเราก็พยายามที่จะ ก, กดมันให้ให้ให้หยุดคิดนะแต่ยิ่งเราทําเนี่ยเราก็เข้าไปในความหลงเหมือนกันนะหลงเนี่ยมันมีสองอย่างคือถ้าไม่ตามก็ต้านตามความคิดหรือต้านความคิดตามเข้าไปในอารมณ์หรือไม่ก็ต้านนเพราะว่ายิ่งต้านเท่าไหร่ก็ยิ่งหงุดหงิดยิ่งไม่พอใจแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์นะเช่นเวลาเราจะนอนเนี่ย จะนอนแต่มันนอนไม่หลับเพราะมันคิดเยอะเหลือเกินนะก็พยายามที่จะหักห้ามใจไม่ให้คิดก็ยิ่งนอนไม่หลับเพืาอใบใหญ่แต่ไม่ใช่เพราะว่ามันตื่นหรือด้วยความที่รู้ตัวนะมันมันเกิดความหงุดหงิดนะที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็เพื่อมาเติมกำลังให้กับความรู้ตัวเพื่อจะให้มัน สามารถจะเอาชนะความหลงได้และถ้าความรู้ตัวเนี่ยมันคลองจิตคลองใจเรามากเท่าไหร่มันก็จะเหลือเนื้อที่ให้ไอความหลงเนี่ยเข้ามามีทธิผลในใจเราน้อยลงและถ้าใจเรามีความรู้สึกตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีความปร่งความเบาการเจริญสติเนี่ยคือการเติมความรู้สึกตัวเข้าไปหรือการเติมพลังให้กับความรู้สึกตัว แล้วถ้าความรู้สึกตัวนี่มีมากขึ้นนะมันก็จะคอยเบียดคอยขับไอ้ความหลงนะให้หายไปแต่ก่อนตอนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยพอตื่นขึ้นมาทีไรใจมันก็จะไหลไปทางความหลงนะมันจะไหลไปทางความหลงแต่พอเราปฏิบัติมากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นเนี่ยใจมันก็จะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นมันจะเทไปทางความรู้สึกตัว แต่ความหลมันก็ฉลาดนะมันไม่ยอมนะมันก็จะหาทางที่จะอเอาชนะความรู้ตัวให้ได้บางทีเนี่ยมันก็มาในรูปของการามาลักเอาจิตใจของเราไปในขณ ะ, ะที่เรากําลังปฏิบัติเรามาที่นี่เรามาปฏิบัติเพื่อความรู้ตัวแต่สังเกตมไหมหลายครั้งเนี่ยเรายกมือไปแต่เราไม่รู้ตัวหรอกเราหลงยกมือสร้างจังหวะเพื่อที่จะรู้ตัว แต่ว่าไปไปมากลายเป็นว่ายกมือปลอกเปล่าฟรีๆเพราะว่าใจมันไม่รู้ลอยไปไหนมันฉลาดนะความหลงเนี่ยมันสามารถจะเข้ามาเล่นงานเราทั้งๆที่ในขณะที่เรากําลังทําความรู้สึกตัวจเจริญสติสร้างจังหวะเพื่อความรู้สึกตัวแต่ว่าทําไปนั่นทําไปทําไปมันกลายเป็นลืมตัวไปซะละ เพราะอะไรเพราะทำตามความเคยชินไอ้ความเคยชินเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นช่องทางให้ความหลงเนี่ยเข้ามาเล่นงานจิตใจนะความเคยชินเนี่ยเราสวดมนต์นะถ้าเราใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่คุน้นกับการสวดมนต์แล้วก็มีสติการสวดมนต์นะตามไม่ได้ทุ ก, ทกคำทุกประโยคเลยแต่พอเราท่องเราจนได้คล่องกันนะตอนนี้แหละที่เราจะเริ่มหลงละปากก็ว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหน ความเคยชินเมื่อคืนเนี่ยจันออสได้สาธิตให้พวกเราดูนะจําได้ไหมที่หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายแล้วก็หันขวาหันซ้ายแล้วก็หันขวาซ้ายขวาซ้ายพอซ้ายนี่บางคนหันขวาแล้วใช่ไหมตั้งที่คําสั่งคือซ้ายแต่ว่าหันขวาไปแล้วเพราะอะไรเพราะชิน เคยชินว่าทัดซ้ายแล้วก็ต้องขวาซ้ายแล้วก็ต้องขว า, า, แ, วตขวาแต่พอซ้ายซ้ายเนี่ยนะแทนที่จะหันไปทางซ้ายก็หันไปทางขวาเพราะว่าความเคยชินให้ความเคยชินนี่เป็นเป็นบ่อกเกิดความหลงก็ว่าได้นะหรือว่าเป็นเาเรียกว่าเป็นอ่เป็นตัวสร้างความหลงแล้วก็ตามที่เราทําจนเคยชินเนี่ยมันหลงได้ง่ายนะเพราะมันทำโดยอัตโน ม, มัติ เวลาเราคนที่ขับรถใหม่ๆยังขับไม่เป็นนี่นะก็จะมีสติการขับรถมากแต่พอขับไปขับไปจนคล่องนะตอนนี้แหละที่จะเริ่มลงละคือใจลอยนะขับรถไปแต่ใจลอยมีโยมคนหนึงน่งนะอาสาพาพาไปส่งที่วัดพาก็นั่งอยู่เบาะหลังสองรูปนั่งไปได้สักพักนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ย จู่ๆโยมก็เลี้ยวซ้ายพระร ก, ก็ถามว่าโยมจะเลี้ยวไปไหนอะโยมก็บอกว่าก็ไปส่งพระคุณเจ้าไงคะโยมรถวัดเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยวซ้ายมันตรงไปแกเลยเริ่มแกเลยรู้ตัวเพราะว่าที่เลี้ยวซ้ายเขาะจะเลี้ยวเข้าบ้านแกใช่คือเลี้ยวประจำนะมันเชยชินไงนะพอถึงซอยเนี่ยเลี้ยวถนนเนี่ยเลี้ยวซ้าย ทั้งน้าที่เ อ, อวันนี้รับจะว่าเปล่าจะไปส่งพระนะแต่พอเห็นถนนนี้อมันเรียวซ้ายแนละ้วอันนี้ก็ลืมตัวลืมตัวเพราะอะไรเพราะมันเคยชิ น, น, นเวลาเราจเจริญสติสร้างจังหวะเดินยังกลมเนี้ยพอทำไปทาไปแลน า, นนา ม, มันเคยชินนะเสร็จเลยนะมันจะเป็นช่องให้ความลืมตัวเนี่ยเข้ามาคล่องกับจิตใจนั้นต้องระวังนะไอ้ความไอ้ความไอ้ความหลงเนี่ยมันมันฉลาดนะ มันจะมีอุบายร้อยแปดในการที่จะทําให้เราเนี่ยอรู้ตัวให้น้อยที่สุดนะ ม, นมันมันมีมันใช้อุบายตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานี่แล้วเรามานี่พอมันรู้ว่าเราจะมานี่เพื่อเพื่อเจริญสตินะมันก็จะหาข้ออ้างมากมายนะเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องมาปฏิบัติเพราะถ้ามาปฏิบัติแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวความรู้ตัวมันจะมากขึ้นความหลงก็จะน้อยลงมันไม่ยอมหรอก แต่สุดท้ายเราก็มานี้นะจะพราะความความตั้งใจหรือเพราะปฏิเสธไม่ได้ก็แล้วแต่แต่มันพอเรามาถึงนี่แล้วนะมันก็ยังไม่ยอมเลิกหลา น, นก็พยายามที่จะหาทางทําให้เราหลงให้ได้นะบางทีทําไปทําไปมัน ก, มนก็มันก็หลอกให้เราง่วงนะไอ้ความง่วงนี่ก็เป็นอุบายของของความความหลงนะเพราะถ้าเราง่วงแล้วเนี่ยความรู้ตัวมันจะไม่ตื่นมันจะไม่มันจะไม่พัฒนา ปฏิบัติไปทั้งวันนะแต่ง่วงซืเยอะเนี่ยสับประงกเนี่ยนะมันก็เท่าเดิมนะบางทีก็มาฟรีฟรีนะแต่ว่าไม่ได้ความรู้ตัวมันจะมีอุบายมากมายและอันหนึ่งที่สำคัญคือความขี้เกียจนะเมื่อเราจะสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันคือการสร้างนิสัยใหม่และนิสัยใหม่เนี่ยนะมันก็คือต้อง ทำความเปียนมากขึ้นมันเหมือนกับว่าแม่น้ําเนี่ยมันหรือลําคลองเนี่ยมันเคยไหลไปสายเดิมต่อมาเราต้องการที่จะสร้างต้องการให้น้ํามันเปลี่ยนสายเราก็จะต้องขุดคลองนะสายใหม่ตอนขุดใหม่ๆเนี่ยมันยากเพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะไหลไปสายเดิมก็เหมือนกับร่องจิตของคนเรานะหรือพื้นเตียงคนเราเนี่ยถ้ามันอยู่ความหลงมานานนะ มันก็จะไหลไปทางร่องเดิมจิตเราเหมือนกับกระแสนะ้ำมันจะไหลไปทางร่องเดิมพอเรามาปฏิบัติเรากําลังพยายามสร้างเส้นทางใหม่ให้กับจิตสร้างร่องจิตใหม่เป็นร่องที่นําไปสู่ความรู้ตัวมันต้องมันก็ไม่ตางจากการที่ต้องขุดคลองใหม่มันใช้เวลามันต้องใช้ความเพียรและสิ่ง ที่ความหลงเนี่ยมันจะมันจะทาเพื่อทําให้ความรู้ตัวไม่มีกำลังคือทําให้เราเนี่ยหมดความเพียรขี้เกียจงัวงาเหานอนหรือว่าเฉยชาดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มกำลังให้กับความรู้ตัวเนี่ยเราต้องสามารถจะต้องหาทางที่จะเอาชนะความขี้เกียจให้ได้จะต้องทําความเพียรให้มากขึ้น และการทําความเพียร เ, เนี่ยเพื่อจะเอาชนะไอความขี้เกียจเนี่ยบางทีมันก็ต้องอาศัยการบางทีต้องอาศัยการให้กําลังใจให้กําลังใจจิตใจเราบางทีก็มีเครื่องร่อนะเออถ้าเราขยันนะเดี๋ยวเสร็จงานนี้เราจะพาไปเที่ยวหนังไ ป, ไปดูหนังไปชอปปิง้งอะไรก็ว่าไปให้ให้กําลังใจตัวเองให้รางวัลตัวเอง แต่แม้กันนั้นเนี่ยบางทีให้กํลาลังวันตัวเองแล้วก็ไม่ได้ผลนะก็อาต้องใช้วิธีที่เข้มงวดกันนั้นเช่นท่องดูดา่าตวาดนะตะวาดในตัวกิเลสอันนี้อาจจะจาเป็นนะเพราะว่าบางทีกิเลสเนี่มันมันเหิมเกริมเนี่ยนะไอตัวกิเลสด้วยความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นองค์คลักพิทักษ์ความหลงก็ว่าได้ เป็นองค์ขลักพิทักษความหลงที่สําคัญมากเลยถ้าถ้าปล่อยถ้าปล่อยให้มันคลองใจนี่นะคือขี้เกียจต่อไปเนี่ยมันก็ไ ม, ม่มีทางที่จะรู้ตัวได้มากกว่าเดิมแลง้นบางทีก็ต้องหาทางที่จะเล่นงานมันนะไอ้ตัวองค์คลักพิทักความหลงเนี่ยตวาดมันนะตวาดใส่ไอ้ตัวกิเลสตัวขี้เกียจ หลวงปูเจนะหลวงปูเจจุนโทเนี่ยท่านเป็นพระที่อคนส่วนให ญ, ญ่ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะแต่ว่าในบ้านบงลูกศิลป์หลวงปู่มั่นนี่ยกย่องนับถือนะหลวงปู่มั่นเรียกท่านว่าเป็นพระคิโุหอทองเพราะว่าท่านเป็นพระที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เป็นงี้มาตั้งแต่เป็นโยมแล้วตอนที่ท่านเป็นโยมนี่ก็เรียกเป็นคนเกเรนะเป็นคล้ายๆล้ายพวกทศ ส, สมัยนี่ค้เรียกว่ากเกลียน่นะ พวกเกลียนเกเล่ไม่เอาเรื่องไม่เอาราวชอบเออะว้อยวายแล้วก็ตอนหลังก็ไปไปรักผู้หญิงคนหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะแต่งงานแต่ตามธรรมเนียมคนไทยสมัยก่อนนะคนเมืองจันแหลมสิงห์เนี่ยนะจะแต่งงานก็ต้องบวชพระก่อนก็เลยตั้งใจว่าจะบวชพระสักหนึ่งพรรษาไม่ทันจะบวชเลยนะคนก็ตรานหน้าว่าบวชได้ไม่ถึงพรรษาหรอกนะ เขาเรียกเรียกเรียกหนุ่มเจ๊ะนี่ว่าไอ้ตัวแสบนะคนชาวบ้านแถานั้นนะไอ้ตัวแสบเนี่ยบวชไม่ถึงพรรษาหรอกนะเพราะมันเกเรมากแต่ปรากฏว่าท่านบวชได้ถึงพันศานะเพราะว่าบังเอิญได้ได้ฟังธรรมอาจารย์ที่น่านับถือพระอาจารย์กรงมาก็เกิดศรัทธานในการบวชแลว้วก็ตั้งใจบวชแต่ว่าพื้นเพเดิมเนี่ยมันไม่ได้มีศรัทธานในทางนี้ก็ทําให้ เรื่องร่อดแลรอดแล่หลายครั้งนะแต่ท่านก็พยายามที่จะสู้นะถึงทั้งถึงขั้นว่าเนี่ยจะไม่ยอมนอนกลางวันนะตั้งตั้งตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะว่าจะไม่นอนกลางวันนะแต่ว่ามันก็มีความง่วงอยากจะนอนอยู่เรื่อยๆนะไม่ค่อยอยากภาวนาเท่าไหร่ท่านก็พยายามนะแต่ นีไม่สำเร็จนะทีถึงขั้นเลยต้องใช้วิธีการดุ ด, ด่าเลยด่าตัวเองมึงบวชพระมาให้คนกราบไหว้แล้วมึงก็ไม่ภาวนาสู้ญาติโยมแก่ๆ ก, ก็ไม่ได้แล้วมึงจะบวชพระไปทำไมนะศึกไปซะเนี่ยกะวาดใส่กิเลสเลยอันนี้ก็ทำให้เกิดกำลังใจขึ้นมานะ ตือเวทกิเลสนี่พอมันถูกด่าอยู่นะถูกตวานเนี่ยมันก็ขดทวนนะแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะผ่านภาษาที่อหนึ่งไมได้ผ่านภาษาที่พอถึงภาษาที่สองเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะไม่นอนทั้งคืนเลยในสัจฉิษกิเลสก็อยากจะอยากจะนอนนะอยากจะนอนให้ได้ท่านก็พยายามแล้วพยายามมิ้ก็ไม่สําเร็จทุกท้าก็ต้องตวาดเลยถ้ามึงภาวนาไม่ได้มึงก็ไปตายซะนะ น้ำท่วมแผ่นดินสูปนะไฟไหมตายซะนะอย่ามาอย่ามีหน้ามาสู้หน้าอยู่ดูโลกนี้เลยนะอัตวาดใส่กิเลสอย่างนี้นะโอ้จิตใจคึกคักเลยนะนะคือบางทีก็ต้องใช้วิธีนี้บ้างนะแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ถึงขั้นกูกูมึงมึงนะแต่ว่าอ่าจะใช้เธอกับฉันก็ได้นะเอามีนะสมัยสมัยสมัยอ่พุทธกาลเนี่ยนะ มีพระรูปหนึ่งนะท่านท่านชื่อวิชิชตเสนนะก็มีปัญหาอย่างนี้แหละนะเหนื่อยนายท้อแท้จิตใจไม่ให้ความร่วมมือเลยนะก็ตวาดใส่นะใส่ใจตัวเองเลยนะจดจิตชั่วช้าเออเราจะไม่ทําตามเจ้าอีกต่อไปนะเราใช้สติผูกเจ้าอันนี้นะท่านพูดดูเดือนหน่อยแต่บางท่านเนี่ยอนะใช้ว่าเธอนะเธอนะ เ, อนะเราก็เธอนะ เราเธอนี่เราเธอจะหลอกเราไม่ได้ต่อไปนะเราจะไม่ยอมให้เธอได้รอยต่อไปนะอันนี้ท่านตาลปุตนะท่านตาลปุตท่านสุภาพนะพูดพูดกับกิเลว่าเธอนะะพูดกับจิตใจท่านเนี่ยที่มันขี้เกียร ว, ว่าเธอนะเราจะไม่ยอมเธ อ, อต่อไปแล้วนะแล้วเราจะทําความรู้สึกตัวให้มากขึ้นเนะี่ยแต่ว่าถ้าไม่ได้ผลนะมันต้องต้องขึ้นมึงกูเลยนะบางอีกรูปหนึ่งนะ พระอาจารย์ทองรัตน์นะอันนี้ท่านก็เป็นรุ่นเดียวกับหลวงปู่เจี้ยก็เรียกว่าเป็นคนที่เอาจิงเอาจังเหมือนกันแล้วก็ผงผังแนวเดียวกันบวชมาพรรษาหนึ่งพรรษาพรรษาสองมั้งปรากฏว่าการมราคากำเริบอยากจะสึกเรียกว่าร้อนพ้าเหลืองก็ไม่ยอมนะหยิบขวานขึ้นมา แล้วก็เข้าไปในป่าใช้ขวานเนี่ยฟันขอนไม้ฟันฟันฟันฟันฟันเสร็จแล้วก็ตวาดโคตรพ่อโคตรแม่มึง <c oughs> ด่ากิเลส น, นะโคตรพ่อโคตรแม่มึงมึงจะสร้างพาพากูไปไหนนะตะวาดด่ากิเลส น, นะถึงโคตรถึงขั้นโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะเพราะว่ากิเลสนี่มันยอมเลยนะมันฟอเลยนะเจอเจอไม้เนี่ยก็ทําให้กลับมามีความเพียร อันนี้กัอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพระใหม่นะเพราะใหม่เนี่ยนะเพราะว่าก็อาบางทีตั้งใจว่าจะบวชให้ได้พรรษาแต่ว่ามันจิตมันท้อนะกิเลสมันครอบงําก็ต้องนะขึ้นกูขึ้นขึ้นมึงนะบ้างนะแต่ว่าญาโยงจะไปใช้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นกูขึ้นมึงเนี่ยนะมันก็เขิมเกริมนะต้องต้องจัดการให้มันนะ อ, อยู่ในโอวาทมันเป็นการกระแทกอัตตานะมึงบวชพระมาเพื่อให้เขากราบไหว้แล้วมึงก็ไม่นั่งภาวนาและมึงภาวนาก็สู้คนญาติโยมแก่ๆไม่ได้แล้วมึงจะบวชไปทําไมนไะอ้คนรังก็มีมารณ์นะมีอัตตานะถ้าเห็นญาติโยมแก่ๆก็ภาวนากันนะแต่ตัวไม่ภาวนานี่มันอายเขาไอ้ความอายนี้ก็ทําให้เกิดเกิดเกิด ความพึกเขมที่จะที่จะทําความเพียนก็คนไม่ต่างจากเมื่อคืนนะเมื่อคืนหลายคนอาจะบางทีพระหนุ่มก็เห็นอยากจะแพ้แล้วอยากจ ะ, ะกลับไปนอนแล้วแต่เห็นโยมคนแ ก, แก่ก็ยังนั่งภาวนาเดินภาวนาพอไม่เห็นแล้วก็เกิดความรู้สึก อ, อับอายตัวเองว่าเฮ้ยเราจะเราเป็นหนุ่มเนี่ยเราจะยอม นะแพ้คนแก่ได้ไงธรรมชาติของกิเลสอัตตาหรือมานะมันไม่ชอบมันไม่อยากจะยอมแพ้ใครคนที่เห็นผู้หญิงเคี่ยันทําความเพียเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยแต่ว่าใจเป็นปสัสสาวนเนี่ยนะเห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ยอมนะมันต้องสู้ให้ได้อันนี้ก็เรียกว่าอาใช้ตัวกิเลสเนี่ยนะมากระตุน้นะใช้ใช้มานะนะเอาชนะกิเลส น, นะ เอาชนะความขี้เกียจเราต้องใช้วิธีนี้บางนะนะเพราะว่าในงานเราจะไอความหลงก็จะครอบงําใจของเราและความรู้สึกตัวก็จะไม่มีทางที่จะลืงตาอ้าปากได้นะไอความความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอนะ่อนั่นมันเป็นองค์คลักพิทักความความหลงเอาไวนะ้ถ้าเราไม่ไม่มีอุบายที่จัดการกับมันนะเราก็ ชีวิตเราก็คงจะถูกไอความหลงเนี่ยมันครอบงำจิตแล้วก็พาไปสู่ความทุกข์เรื่อยๆหาความสุขได้ยากนะก็ฝากไว้คืนนี้นะเอากราบพาะพร้อมกัน